เ, เมื่อวันที่ส1สิบเอ็ดสิงหาคมพศสองพัน้าร้อยเก้าณวัดาบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณะันปโนโพ่อแม่เลี้ยงลูกนับตั้งแต่คนหอปีจนถึงคนสุดท้อง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 เมื่อเด็กพอรู้เดียนสาภาวะซึ่งควรจะรับการสั่งสอนได้เท่าที่ควรแก่กำลังของผลพงอแม่ก็พยายามสอดแท้ความรู้วิชาทางปิดบ้านการเรียนเป็นลำดับลำดับเด็กที่รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ทั้งส่วนร่างกายและส่วนความรู้ ก็ค่อยเติบโตไปตามๆกันเด็กคนท้าปีก่อนนับวันเบาใจไปไเรือคนอันดับต่อมาจนกระทั่งถึงคนท้องยอมได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายอาหารการรับทานและความรู้วิชา ศึกสอนกันเป็นลาดับลาดับเด็กก็น้าวันเติบโตตามกันไปเลยจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูจากนั้นแล้วก็วางอกวางใจได้นี่เป็นคติของโลก ที่เป็นมาตลอดการเป็นเช่นนี้ทางด้านธรรมะในแ็่ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์การปฏิบัติต่อกันย่อมเป็นเช่นเดียวกับพ่อแม่เลี้ยงดูเด็กครูมาอยู่ก่อนก็เ่เดียวกับ ลูกคนหัวปีคือลูกจิตคนหัวปีผู้มาตามหลังกันไปเรื่อยๆก็เป็นลูกจิตคนกลางคนฝุดทองเป็นลำดับลาดับไปการแนะนำพร่ำสอนครูอาจารย์นั่นเหมือนกับการเลี้ยงดูทางความรู้วิชาทั้งทางธรรมะส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียด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 กับครูอาจารย์เลี้ยงดูบรรดาลูกศิษย์นับแต่ผู้มาอยู่เบื้องตน้นจนถึงผู้มาอยู่วาระสุดท้ายยอมมีการสั่งสอนในลักษณะเดียวกันแล้วบรรดาท่านผู้มาศึกษาทุกๆุกท่านทั้งท่านที่มาก่อนและตามหลังกันมาเรื่อยๆจนถึงท่านผู้มาสุดท้าย สอโปรดได้ทำความสนใจพยายามรับการศึกษาอบรมด้วยความสนใจให้ความรู้วิชาเรามีความเจริญก้าวหน้าภายในจิตใจพอวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเป็นประจำวันหรือประจำเพศของเราผู้มาศึกษาก็ขอให้ มีความคล่องแคล่วขึ้นไปเป็นลำดับนี่จะเทียบได้ว่ามีความเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้เป็นทานองที่ว่าเลี้ยงไม่รู้จักโตคือไม่มีวันเติบโตรายเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นนี่พิดคติธรรมดาของผู้มาศึกษาอบรมมาเบื้องต้นก็ เป็นธรรมดายังไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของหลักธรรมวินัยในวัดนั่นๆท่านทาปฏิบัติอย่างไรแม้จะอยู่ในขอบเขตแห่งหลักธรรมวินัยเช่นเดียวกันก็ตามแต่อาจารย์ขึ้นเป็นผู้นำนั้นย่อมมีการเดือมล้ำต่ำสูงต่างกันทั้งด้านความประพฤติและด้านความรู้ความฉลาดฉะนั้นแง่แห่งธรรมะที่ท่านจะนำมาสั่งสอนพวกเรา จึงมีความต่างกันจะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้แม้ตัแต์หลักเทวินัยซึ่งเป็นของตายตัวแต่ผู้นำมาปฏิบัติยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงด้านธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มาศึกษาจึงควรสำเนียด้วยดีขนบธรรมเนียมระเบียบแบบแผนท่านพานาเนินอย่างไร เราให้เป็นเหมือนกับคนในบ้านหน้าที่การงานอันใดที่จะพึงจัดพึงทาในบ้านให้ถือว่าเป็นงานหน้าที่ของเราภายในบ้านเราจะต้องรับภาระผิดชอบทุกสิ่งในหน้าที่การงานอยู่ในขอบเขตแห่งบ้านของเราหรือส่วนสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแี้จะอยู่นอกบ้านก็าตามนี่ผู้มาศึกษา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 ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักธรรมมิในของเราทั้งนั้นเพื่อเพราะเราเป็นผู้มุ่งต่อความสุขความเจริญด้วยหลักพระธรรมิิหนเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อปฏิบัติทุกๆด้านที่เราจะควรทำให้มีความสะดวกคล่องแคล่วขึ้นไปโดยลาดับเพราะความชำนาญเนื่องจากการทำอยู่เสมอด้วยความตนใจของเราผู้มาศึกษา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 ด้วยการกระทำดีทำชอบของตนและด้วยความขายันหมั่นเพียรของตนที่ได้พยายามอุตสาหอยู่ตลอดเวลานี่หลักของผู้มาศึกษาจะต้องทำความเข้มแข็งหรือทำความขายันหมั่นเพียรจนเกิดความชำนิชำนาญในทางหลักธรรมวินยัยเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนี่ชื่อว่าถูกต้องกับหลักของผู้มาศึกษาแต่การมาศึกษา เบื้องต้นก็มีความเข้มแข็งมีความสนใจขั้นต่อมาก็คินครู ค, คินอาจารย์คินต่อคินต่อสถานที่คินต่อหมูตัวเพื่อนคินต่อหลักธรรมหลักวินัยคินไปเสียทุกอย่างในสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกับกลายกลายความเพียรไปเสียหมดปรากฏเป็นคนอ่อนแอปรากฏเป็นคนเกียดคร้าน ปรากฏเป็นคนเห็นแก่ป่าแก่ท้องปรากฏเป็นคนเห็นแก่หลับแกนอนปรากฏเป็นคนที่แยปรากฏเป็นคนเลี้ยงยากถ้ากลายลงไปเป็นเช่นนี้ชื่อว่าไม่ใช่หลักของการนำเนินของพระผู้มีความเข้มแข็งเพราะหลักของพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมะขั้นต่ําจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคือวิมุตพรนิพา น, านไม่ได้สอนให้คนมีความขี้เกียจอ่อนแอ มีแต่สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนหนักก็เอาเบาก็ทาไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องถือว่านั้นหนักนี่เบาแต่ถือเป็นกิจจำเป็นที่ตนจะพึงทําเพื่อความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมเท่านั้นมีหลักของการดำเนินเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นาศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้คือพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่เรียกว่าเจดีของโลกเป็นเข็มทิศทางเดินของทางโลกและทางธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งต่อเศษธธรษฐกิจของบ้านเมืองคือการครองทีพการซื้อค้าการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆประเภทเมื่อถูก กับกฎหมายบ้านเมืองและหลักธรรมมีในแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีการส่งเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานนั้นๆคุกผนกไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอในหน้าที่การงานแม้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความเข้มแข็งร่าเริงต่อนหน้าที่การงานของตนซึ่งเป็นนักบวชไม่ให้มีความทอ้อถอยอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้น โลกเขาจึงได้กราบพระคือลูกศิษย์พระาสาคตเอาเป็นแบบชบับทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะยึดถือเอาได้เช่นความขยันหมั่นเพียรถ้าเราเป็นคนเจียดคร้านจะไปสอนคนอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนหนอดแอจะสอนคนอื่นให้มีความเข้มแข็งก็สอนไม่ได้เราเป็นคนปฏิบัติไม่ดีขี้เทียดจะเป็นสอนสอนคนอื่นให้ปฏิบัติ ด, ดีละมีความ เข้มแข็งขยันมั่นเพียรก็สอนไม่ได้นี่ยข้อหลักศาสนาที่สําคัญก็คือส่วนที่พระนํามาประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นหลักอันใหญ่ที่จะกระจายไปให้โลกได้รับความร่มเย็นโลกมีความเดือดร้อนมีความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยทางครอบครัวหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมือง ต้องเข้ามาศึกษาปรารภกับพระในบางสิ่งที่ควรศึกษาปรารภได้พระจะให้ความร่มเย็นให้ความร่วมมือให้การแก้ไขแก่เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาสําหรับผู้ทรงศ า, าสนาคือนักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ตระหนักใจในสิ่งเหล่านี้สําหรับทําโลกให้มีความร่มเย็นได้ด้วยข้อปฏิบัติและความเฉลียวฉลาดของตนนี่เป็นหนักสําคัญ เราก็เป็นคนอ่อนแอหาแบบฉบับตามหลักธรร ม, มในในเพศของพระไม่ได้แล้วเราจะสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะสอนได้อย่างไรนี่ข้อนี้เป็นหลักสาคัญท่านผู้เป็นนักบวชโปรดได้ตรวจรองดูความประพฤติของเราน้ำใจของเรามีความเอียงหนักไปทางไหนหนักไปทางโลกหรือหนักไปทางธรรม หนักปทางความขี้เกียดหรือหนักประทางความขยันหมั่นเพียรหนักไปทางความมากมากหรือหนักประทางความมากน้อยหรือหมักหนักไปในทางความพอดีเรียกว่ามัชชีมาตามปกติของใจที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามวิถีทางเดินของเขาซึ่งเคยเป็นมาแล้วจะต้องไหลลงฝูทางต่ำเสมอถ้าทางใดเป็นไปเพื่อความเจริญจิตจะไม่ชอบก้าวเดินในทางนั้นแต่จะถอยหลัง กลับมาเดินในทางที่จะเป็นแปรทางความเสื่อมซึ่งเป็นทางที่จิตเคยเดินมาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นเครื่องฝื้นหรือเป็นเครื่องชุดลากจิตใจที่ต่ําตามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ดีสูงขึ้นเป็นลํำดับนี่ธรรมะเป็นอย่างนั้นจะว่าธรรมะเป็นของฝืนโลกก็ใช่ถ้าไม่ฝืนก็ไม่จัดว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้กัน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 เรื่องธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้วไม่มีการจะฝืนกิดฝืนใจฝืนตัวเองต่อหน้าที่การงานฝืนตัวเองต่อการหลับการนอนต่อความภาคความเพียรฝืนตัวเองต่อการอยู่การจินการใช้กา ร, าการสอยการไปการมาการประพฤติทุกด้านแล้วไม่มีอันไหนจะเป็นเครื่องหมายของสมณะที่ดีงามให้โลกได้กราบไหวยและตัวของเราได้รับความเลื่มล่มเย็นใจ ตอนต้นได้กล่าวถึงเรื่องเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกมีวันเติบโตขึ้นได้ในส่วนร่างกายเป็นสำคัญอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เลี้ยงดูด้วยอัดด้วยธทมตามคติธรรมดาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นคือมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ มีความคล่องแคล่วต่อหน้าที่การงานชี้องค์ไหนให้ทำหน้าที่อะไรทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะในฐานะลูกศิษย์กบอาจารย์แล้วจะเป็นเช่นเดียวกับลูกในครอบครัวของพ่อแม่คนนั้นๆจะมีลูกกี่คนยอมถือเป็นลูกขอ ง, ของตนโดยสนิทและจะใช้สอยคนไหนก็เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้นี่ควรจะเป็นเช่นนั้น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 คนนี้จะสมควรทำหน้าที่นี้นี้ได้หรือไม่กว่าจะได้แต่ละครั้งละครั้งที่จะนำมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ภายในวัดหรือภายในพระศ า, าสนาที่แล้วที่เราเลือกแล้วเลือกเรากว่าจะได้เขากินเวลาตั้งหลายนาทีเนี่ยทุกครั้งที่จะใช้ให้ทำอะไรก็ตามนี่แสดงว่าไม่คล่องแคล่วการปฏิบัติศาสนา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 จับอันายได้หมดไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องถือเนื้อถือตัวไม่ต้องขยักขยแงต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นจิตจำเป็นของเราให้ถือเป็นความจำเป็นแค่ น, นี้นี่เป็นหลักทางเดินของพระไม่ว่าพระคงใดจะมาจากที่ไหนจะมาจากบ้านใดเรือนใดมาจากประเทศใดมาจากจังหวัดใด เมื่อเข้าสู่ลมเงาแห่งผ้ากาสมาพัที่เรียกว่าเป็นบุคคลของพระพัฒฐานโคดเจ้าแล้วด้วยเป็นผู้มุ่งตอนหลักธรรมนิ้นายอย่างยิ่งด้วยเพราะอำนาจแห่งความเชื่อความนิมิสต้องเป็นผู้ทําด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกชิ้นทุกอันเพราะการงานที่เราทํานั้นเราไม่ไทําเพื่อใครแต่ทําเพื่อความดีงามสําหรับเราพยายามฝึก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 เรียกว่ารอดตายจริงในเป็นศาสนาพวกเรานี้ที่ได้ตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาพระบารมีของพระองค์ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นเข็นใจสถานที่อยู่ก็มีพออยู่พออาศัยเครื่องใชยไม้สอยก็พอเป็นไปตามเพศของพระซึ่งไม่ใช่เพศแห่งเศษ ธ, ธี อาหารการขบการฉันก็เป็นมาจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นคนคนหนึ่งเขารับได้เราต้องรับได้เพราะเราเป็นนักฝึกฝนตัวเองฝึกฝนใส่อาหารการฉันไม่ได้ไม่มีทางเดินเพื่อตามสเสด็จพระพุทธเจ้าได้เลยนี่เราต้องคิดอย่างนั้นเราจะให้อ่อนแอลงไปเรามาอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งจะทำใจให้อ่อนแอลงไปไม่ใช่ผู้มาศึกษาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความรู้ความฉลาดเพื่อการดัดแปลงตนเอง แต่เป็นไปเพื่อความอาภั พ, พเพื่อตอนเองเท่านั้นไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าแม้ผู้เป็นครูเิณเอาจารย์ก็หมดทางที่จะสอนไม่ทราบจะสอนหน้ายยังไงสอนลงไปไม่เห็นผลไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความอ่อนแอลงไปเป็นลําดับลำดั บ, ดบการจะสอนธรรมะแต่ละครั้งละคราวก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าเพราะธรรมะไม่ใช่เกิดมาจากการทําเล่นความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้อย่างเล่นเล่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเล่นเล่น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 ผูสอนก็ไม่ได้สอนเล่นแม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งคาถาหนึ่งเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายตายแดนไม่มีธรรมะบทใดที่จะสอนเล่นเล่นกล่าวเล่นเล่นปฏิบัติอย่างเล่นเล่นมีแต่ปฏิธรรมะเป็นของจริงซึ่งออกมาจากการปฏิบัติจริงผู้สอนก็สอนจริงๆรงู่ปฏิบัติจะทาแบบเล่นๆ่นใช่ไม่ได้ ไม่เข้ากับหลักธรรมเราจะหาสาระแกนสารได้อย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามีความไม่สะดวกกายไม่สบายใจกี่ครั้งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรภากว่าสาเหตุเป็นมาจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจิตจึงมีการกำเริบเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสาระแกนสารและไม่เป็นสวัสาิธรรมแต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ จิตใจของเราที่รับความรุ่นล้อ์รุ่มร้อนหรือขุ่นมัวหรือยุ่งเหิงภายในจิตใจเนื่องจากใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ใจของเราชอบเช่นนั้นชอบเอาตามอําเภอใจนั่งก็นั่งตามอําเภอใจนอนตามอําเภอใจการขบการฉันก็อยากให้ได้อย่างจิตอย่างใจคิดอะไรก็อยากจะให้ดังอย่างใจ แต่หาได้คํานึงถึงเหตุถึงผลไม่ว่าการจะทําให้ได้อย่างใจนั้นจะต้องทําอย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรนี่เราไม่ได้คํานึงตอนนี้เพราะฉะนั้นจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สบายจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าเพราะการปรปับปรุงจิตใจของเรามีระดับอันต่าและอ่อนแอในการประพฤติทธรรมของตนการปรปุงจิตใจต้องมีความเข้มแข็งการนั่งสังเกตใจต้องสังเกตจริงๆ วิถีของใจจะเดินอยู่ตลอดสายไม่ว่ากลางวันกลางคืนแม้จะหลับก็ยังมีฝันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่วิถีของจิตที่เดินอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นหากเราเป็นนักปฏิบัตินักจะกําจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ใ จ, ใจทั้งเป็นนักที่จะรู้เท่าวิถีใจของตอนแล้วต้องเป็นนักสังเกตจิตฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้รู้เรื่องวิถีจิตของตนว่ามันเดินไปนทางที่ผิดหรือที่ถูกเดินไปแต่ละครั้งละครั้งคิดไปแต่ละหนนะหนคิดไปในทางด้านธรรมะหรือคิดไปด้านทางโลกเพื่อการสังสมกิเลสตัณหามาพอกผุนหัวใจเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการธรรมะเครื่องสักกอกจิตใจต้องดูวิถีทางเดินของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียร น, นี่พระพุเทธเจ้าท่านเดินมาอย่างนี้ สาวกทั้งหลายท่านก็เดินมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อดื น, นามได้มาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านก็ปฏิบัติหรือสังเกตวิถีทางเดินของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่รู้ทางเดินของจิตจะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดอยู่ตลอดวันยังคำคืนยั่งลุ่งจะคิดเรื่องเราเรื่อ ง, ร, องร้อยกี่ปาระก็ตามเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นทางดีหรือชั่ว เป็นแต่เพียงมาตรอยตามอำเภอใจที่มันคิดไปเท่านั้นทีนี้ผลประโยชน์ที่จะปรากฏขึ้นนั้นมันไม่มีมีตั้งแต่ความรุ่มร้อนนั่งวันนี้ก็แล้ววันหน้าก็แล้ววันนี้มืดไปวันหน้าสว่างมากบุญอยู่เสมอว่าใจของเรานี้มันอ่อนแอแใจของเราไม่มีความสุขความสมายก็เพราะการปฏิบัติตัวเองไม่สมภูมิแห่ง เหตุที่ควรจะทําให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองหรือสะดวกสบายภายในตัวได้จึงหาความสงบเยอกเย็นไม่ได้นี่ขอให้พากันพิจนนารณาผู้ปฏิบตัติต้องเป็นคนเป็นผู้เข้มแข็งอ่อนโดนในมารยาทแต่มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่อ่อนแอมุ่งหน้าต่อความภาคเพียรเสมอ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 เป็นนักสังเกตดูเรื่องของเราแล้วเราจะได้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะงานของจิตนั้นไม่มีว่าไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีวันพระวันโยมไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เป็นวันทํางานของจิตตลอดเวลานี่นี่ล่ะท่านเรียกว่า จิตท่องเที่ยววนไปวนมาท่านเ็าเรียกว่าวัดตะวนวนประหาที่จอดที่ยับยั้งไม่ได้วกกันไปเย็นกันมาอยู่อย่างนั้นแล้วขนทุกมารุ่มรุมเราให้เดอดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งวันนี่เพราะความปล่อยใจเกินไปไม่ได้สังเกตตัวเองเรามีราคาเท่าไรที่ได้มาบวชในพระศาสนา ใจมีราคาเท่าไรถ้าเราฝึกฝนอบรมได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้และโลกไหนไหนจะมีคุณค่าเท่ากิตของบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมได้อย่างเต็มภูมิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแก้วสารพัดนึกภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมความสุขนั้นก็สมบูรณ์อย่างเต็มที่ท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขัง ไม่มีความสุขอื่นใดในโลกทั้งสามคือการมาโลกคูปโลกอรมุปโลกจะเสมอเหมือนกับความบริสุทธิ์ของใจอย่างเต็มที่นี่ท่านเรียกแบบพระนิพพานการที่จะปรากฏจิตประเภทนี้ขึ้นมาไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเจยดคลานอ่อนแอไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่กะแก่หลับแก่นอนแต่ปรากฏขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรของนักรตซึ่ง เทียบกันกับนักลบในสงครามส ง, สงครามทางโลกยังมีการมีเวลาสงครามภายจิตนี้ไม่มีเวลาถ้าผู้จะเป็นนักลบแล้วควรจะย้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่ความวุ่นวายปรากฏขึ้นความวุ่นวายปรากฏขึ้นที่ไหนนั่นและวิถีทางเดินของสมุไทยเกิดขึ้นมาจากที่นั่นสมุไทยคือเหตุให้ทุกเกิด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 เขาจะไม่สามารถสั่งสมกำลังขึ้นรร ม, มากบุญอะไรได้นะักเนื่องจากความเพียรจดจอ่อหรือฟากฟันกันอยู่ตลอดสายโดยไม่คำนึงถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินด น, นั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นก็เราเป็นนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรโลกให้อภัยทั่วดินแดนแล้วเวลานี้ทางราชการก็ให้อภัยให้ความสะดวกทุกด้านทางบ้านเมืองทุกทุกท่าน ให้อภัยทั้งหมดพระไปไหนเขากราบไหว้เคารพ บ, บูชาอาหารการกบการฉันมีอย่างไรนำมาให้ทานอย่างเต็มอกเต็มใจอาหารการบริโภคแต่ละอย่างละอย่างกว่าเขาจะหามาได้แทบล้มแทบตายกลางคืนไม่หยุดกลางวันไม่ได้หย่อนเิ่งเต้นขวัญขวายหาอยู่หากินกว่าจะได้มาใส่ปากใส่ท้องและได้มาให้ทานเนี่ย เป็นของที่ยากลําบากที่สุดเขาทําไมจึงมีความเต็มบกเต็มใจให้ทานเราทุกวันไปบินธบาต ท, ทุกวันนี้รู้สึกจะเต็มบาททุกวันทุกวันอย่างน้อยก็เกือบจะเต็มบาทอยู่แล้วบินธบาตมาวันหนึ่งถ้าเป็นของที่จะสั่งสมไวไไม้ได้ฉันแปรตั้งห้าวันก็ไม่หมดนี่มันทําไมจึงปรากฏมีมาเช่นนั้นทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ซื้อได้หา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 นำมาให้เราได้ขบฉันแต่และ ว, วันละ ว, วันนี้ก็แทบล้มแทบตายนี่เขายังหามาด้วยความเต็มใจเอาจะตายเขาก็เต็มใจให้ทานไม่ว่าจะให้ทานประเภทไหนมีความยินดีทั้งนั้นถ้าไม่ผิดจากหลักธรรมนิ่งของข้าแล้วเขายินดีที่จะให้ทานทีที่เพื่อเราเสมอแต่เราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นแนวหน้าของญาติโยมทาไมจะทำใจอ่อนแอให้พิจารณ า, าดูเราได้รับความสะดวกทุกด้านแล้วเวลานี้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 จะมีน้อยก็ไม่เสียใจอาหารจะดีหรือไม่ดีเพ่งถึงเจตนาของผู้ให้ทานเขาให้ทานอย่างสุดอกสุดใจสุดใจที่เขาดีเต็มที่แล้วนั่นแหละให้เรารับทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะใจที่เขาให้ทานนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ถือเอานี้เป็นสำคัญเราอย่าถือด้วยอำนาจกิเลสตัณหาว่าอาหารประเภทนี้พอใจอาหารประเภทนี้ไม่พอใจอาหารประเภทนี้ดีอาหารประเภทนี้ไม่ดี ฉันลงไปแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นความกวลกวยนี้ไม่ใช่ทางของพระเป็นทางของผู้นักสังสมความโลภความโกรธความหลงนักสังสมกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ที่มาแก้ไขกิเลสภายในใจิตใจไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงง่ายให้เหมาะสมกับเพศของพระเพราะเพศของพระเป็นเพศที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายไปง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ต้องทาความกังวลไม่ต้องทาความรบกวนใครๆทั้งนั้น เขาให้อะไรรับด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นไม่เคยจำนิผลธานของเขาวัตถุทานของเขาจะเป็นประเภทใดแม่ีิตุนางคุณนาทาสีกีข้าวแป้งเขาเ้ียว่ข้าวแป้งกีแล้วเนบพกมาเนี่ยจะนำไปรับทานเวลาเข้าไปตักน้ำเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเื่อมใสอยากจะให้ทานคิด้าอะไรก็ไม่ได้มีแต่ ข้าวแป้งกี่นี้จะจะทํำยังไงก็กลัวพระองค์จะรังเกียจพระพุทธเจ้าทำเลื่องดูพระอนุ์ให้พระอนุนนาบาตรมาถว า, ายทันทีแล้วเล่าแล้วเข้ารับเข้านมแป้งกี่ของนางคุณธาสีทันทีเมื่อรับมาแล้วนางคุณธาสีนั่นก็คิดว่าเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านรับของเรานี้ ท่านก็รับพอไม่ให้เสียใจเราเท่านั้นออกจากนี้แล้วท่านจะไปฉันบ้านเศรษฐีกระุมพีนบ้านนางวิสาขาบ้านอนาถปณิกาเศรษฐีบ้านไห น, ไหนๆก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เราถวายไปนี่เป็นของที่เร็วเป็นของที่ต่ำช้าสมกับฐานะของเรา <Hey. S 1> พอพระพุทธเจ้าท่านทราบอย่างนั้นและทั้งทั้งที่พระ อ, องค์ก็ทรงตรงพระทัยอยู่แล้วว่าจะสงเคาะนางคุณาสี เพราะเห็นแต่น้ําใจของเขาเป็นน้ําใจที่มีคุณค่ายิ่งแม้วัตถุทานนั้นจะไม่มีเป็นของที่มีคุณค่าอะไรนกักกนตามแต่น้ําใจเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเขาให้ทานด้วยน้ําใจที่บริสุทธิ์และเต็มใจอย่างเต็มที่พระองค์ท่านก็ทรงประทับลงในที่นั่นและฉันของนางเออ่ขนมของนางปุณธาสีเสียวันนั้นไม่ต้องทรงเสวย อ, อะไรอีกต่อไปในวันนั้นเป็นอันว่าชิ้นวาระในวันหนึ่งไป ด้วยการเสวยขนมแป้งกี่ของนางปุณธาษีนั้นเช่นเดียวกับเราที่รับฉันจังหันทุกวันนี้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งมือหนึ่งต่อวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนี้ขอให้เราทุกๆ ท, ท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงทาตัวของเราทาใจของเราให้เป็นเช่นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินเช่นนี้ เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่มีครูจิตใจจะเป็นใจที่มีครูใจไม่เลยเถิดไม่เลยแดนไม่เลยหลักธรรมวิ น, นัยจะเป็นใจที่ดีเป็นใจของพระเป็นเพศของพระนั่งก็จะสบายเหมือนพระนอนจะสบายเหมือนพระเดินสบายเหมือนพระฉันจะสบายเหมือนพระคิดอันเรื่องอะไรอะไรเป็นเรื่องของพระไม่มีโลกเข้ามาเครือบแฝง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 นำเข้ามาเกี่ยวข้องให้เป็นค่าศึกต่อธรรมะทิฏฐิมานะมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเมืองใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีแต่เราผู้เป็นนักบวชแม้จะมีข้อตามเรามาบวชในศาสนาเพื่อจะมาแก้ทิฏฐิมานะของตนเพราะทิฏฐิมานะมันขวางโลกขวางตนด้วยขวางธรรมะด้วยขวางหมู่ขวางเพื่อนด้วยไปอยู่ที่ไหนฟังแต่ว่าขวาง มันไม่สะดวกสมายทั้งนั้นแหละไม้ถ้าเราแบกขวางทางไปมันไปไม่ได้มีเรื่องทิฏฐิมานะมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างไรเราให้ถือหลักธรรมเป็นศูนย์กลางความรู้ของเราอย่าด่วนเข้าใจว่าเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์แต่โปรดได้นับนำเข้าไปเทียบเคียงกับหลักธรรมะว่าถูกหรือไม่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 ด้วยทิฏฐิมานะนี่เขาจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่โดยมากโลกจะมีความกระทบกระเทือนกันเพราะความเห็นไม่ลงกันท่านเรียกว่าทิฏฐิมานะพระที่จะมีความทะละเบาะแวงกันก็ต้องเนื่องจากทิฏฐิมานะคนจะฆ่าจะตีกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะโลกจะลบจะเลวกันให้พินาศทิบหายป่นปีหรือคอยเป็นตลอดมาก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนั่นสัตว์จะกัดกันเช่นสุนัขกัดกันก็เนื่องจากทิฏฐิมานะนี่ดูสิ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 น่าดูที่ไหนเพศของพระเพศของนักบวชเป็นเพศที่สวยงามด้วยความเห็นแก่อดแก่ธรรมด้วยความเห็นโดยสม่ำเสมอมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีหลักธรรมเป็นแบบฉบับไม่ได้เอาทิฏฐิมรณะของตนเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องนาเนินพระจึงเป็นที่กราบไหวไม่ว่าเป็นแม่ชีแม่ขาวเขาก็กราบไหนไา้เพราะความถือธรรมะเป็นหักเป็นหลักพิเศษอยู่แล้วนี่ให้คิดอย่างนั้นแต่การกราบทั้งนี้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 หมดไปเป็นลำดับลำดับจะมีจํานวนมากน้อยอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันไม่มีทิฏฐิมรณนะขัดแย้งกันครัวเรือนนั้นก็สงบบ้านใดสังคมใดที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทิฏฐิมรณนะขัดแยง้งอวดดีอวดฉลาดอวดเด่นอวดยิงต่อกันแล้วสังคมหรือบ้านเมือง น, นั้นก็ร่มเย็นประเทศชาติ ถ้าต่างคนต่างปรองดองกันด้วยความเห็นแก่อัตแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องไม่เอาทิฏฐิมณนะกวดรู้อวดฉลาดอดความสามารถของตนแล้วโลกก็จะไม่พีหน้าทิพย์หายจะกลายเป็นโลกที่จเจริญรุ่งเรืองโลบเย็นทั้งท่านและเราทั้งใกล้และไกลทั้งประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวงประเทศแต่และประเทศทั้งในวงบ้านทั้งในวงเมืองทั้งในวงวัดทั้งในวงตัวของเราโดยเฉพาะ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับๆตลอดถึงสัตว์ถ้ามันมีทิฏฐิมณะนะเป็นเครื่องกระทบกระเทือนการสัตว์จะไม่รับความเดือดร้อนนี่เรื่องของทิฏฐิมะนะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่จะทําโลกให้พินาศทิพยหายได้ด้วยหากว่าเราได้สั่งสมทิฏฐิมณ ะ, ะให้มากขึ้นเท่าไรแล้วก็ยิ่งเป็นของที่มีกําลังไฟมารยกันมีที่ไหนก็คือไฟมารยาการตัวทิฏฐิมะนะนี้เท่านั้นจะทําโลกให้พินาศทิพยห า, ายไม่ว่าท่านว่าเรา ถ้าใครสั่งสมทิฏฐิมานะไว่มากๆจะเป็นคนมีความเดือดร้อนภายในตัวออกจากนั้นก็ระบาดไปทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนเดือดร้อนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตําหนิเรื่องทิฏฐิมานะไม่ใช่ของดีแต่หลักธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทิฏฐิมานะซึ่งเป็นตัวสกรปรกให้ออกจากจิตใจของเราได้กลายเป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักพื้นใน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 ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความให้ดกเข่งใจกันทั้งวงกว้างวงแคบจะอยู่ด้วยกันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกาสบายใจเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นี่หลักธรรมะเป็นอย่างนั้นให้ความไว้วางใจแก่โลกได้อย่างนี้ที่จะให้เป็นค่าสึกแก่โลกนั้นไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้จะให้ความสุขแก่โลก หากว่าโลกได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแค่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขของโลกจะมีเพียงนั้นนี่จะกล่าวถึงเรื่องทิฏฐิมานะส่วนยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ภายในใจของเราพยายามแก้ไขให้หมดไปด้วยข้อปฏิบัติความเพียรเป็นสิ่งสำคัญ ให้มีความสม่ำเสมออย่าอ่อนแอในทางความเพียรของที่มีค่าไม่ต้องไปหาที่ไหนใจดวงนี้เป็นของที่มีค่ายิ่งขอให้พยายามฝึกฝนอบรมให้ได้เวลานี้กําลังกระฟัดกระเพื่อกาลั ง, แ ส, งแสดงอาการแง่งอนทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมต่อเราจะยอมจานวนได้จาก ธรรมะเท่านั้นเข้าไปบังคับถ้าธรรมะบังคับเราไม่ได้บังคับ